สำหรับผมที่จะนำมาเ่านี้ผมทำจังหวะขึ้นให้ดูเส้นพลิกมือคึืนนตะแคงไว้ให้มีคมรู้สึกตัวยกมือคึืนครึ่งตัวให้มีสติเข้าไปรู้เอามือเข้ามาสะดือให้มีสติเข้าไปรู้พลิกมือซ้ายตะแคงคึืนให้มีสติเข้าไปรู้ ยกมือซ้ายขึ้นไปครึ่งตัวให้มีสติเข้าไปรู้เอามือซ้ายเข้ามาทับมือขวาให้มีสติเข้าไปรู้เลื่อนมือขว่าขึ้นหน้าอกให้มีสติเข้าไปรู้เอามือขวาออกมาไว้ตรงข้างให้มีสติเข้าไปรู้ลดมือขว่าลงที่ขาขว่าตะแคงไว้ให้มีสติเข้าไปรู้ขัวมือขว่าลงที่ขาขวา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 บอกให้หลับตาให้นั่งก็ได้ยืนก็นได้นอนก็นได้<ม>นั่งทายืนทานอนทาก็ได้<ม>เวลาเดินจงกรมไม่ให้เจงแข น, เ, นเอามือกอดหน้า อ, อกไว้หรือเอาค้วไว้ข้างหลังก็ได้วิธีนั่งนั้นจะนั่งเยียดขาก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้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 ผ้าน้ำแดงผ้ามันก็จะเป็นสีแดงเปียงออกมาโรดถ้าหากเป็นน้ำดำสีดำก็จะไปติดผ้าดำปึ๊บมึดทีเดียวอันเขาบาทันรู้เขาโบาทันมีญาณปัญญานั้นก็คือการ น, นีเขาโกรธเขาเกียดเขาสั่งคนนั้นคนนี้มันปึ๊บเหมือนกับไฟไม้มืด น, นั่นเต็มที่มันโรดครับมันเป็น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 เกิดข่มมั่นใจเกิดขม่มรู้ว่มเห็นเป็นอันาทิ้งสิ่งนี้ถูกต้องไม่พลาดผิดไม่พาดผิดจริงจรับรองเอาชีวิตเป็นเดิมพันได้ควอมจริงสิ่งสิ่งนี้แหละที่ทุกคนต้องการอยู่แต่เขาหักโบลูวิธีทําเท่านั้นดังนั้นวิธีทําวิธีพูดวิธีเห็นวิธีรู้